พระไตรปิฎกเล่มที่สห้ายักษะสังยุตประมวลธรรมคถ า, าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาอินทกูฏซึ่งเป็นพบของอินทกยญาเขตกรุงราชครืครั้งนั้นอินทกยญาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลด้วยคถ า, าว่า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 ที่ติดอยู่บนขนแก็ซึ่งเหลือจากการสะบัดสามครั้งจากกรละละเกิดเป็นอพุ t ะหมายถึงรูปละเอียดที่เกิดถัดจากกาละละนั้นไปเจ็ดวันมีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อมีลักษณะเหมือนดีบุกเหลวจากอพุ t ะเกิดเป็นเปสิคือชิ้นเนื้อเล็กจากเปสิเกิดเป็นคณะ คือเป็นก้อนจากคณะเกิดเป็นปุ่มห้าปุ่มหมายถึงในสัปดาห์ที่หเกิดเป็นปุ่มห้าปุ่มคือแขนสองเท้าสองสีษะหนึ่งต่อจากนั้นผมขนและเล็บจึงเกิดขึ้นมารดาของสัตว์ผู้อยู่ในขันนั้นบริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใด สัตว์ผู้อยู่ในคันมารดานั้นก็ยังอัตภาพให้เป็นไปในคันโดยข้าวน้ำโภชนาหารอย่างนั้นสักกะสูตรว่าด้วยสักกะยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาคิจกูดเขตกรุกงราชคฤห์ ครั้งนั้นสักกะยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลด้วยคาถาว่าการสั่งสอนคนอื่นนั้นไม่เหมาะแก่สมณะเช่นท่านผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วหมายถึงพ้นจากภพสามคือการมาพบรูปภพและเอารูปภพ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 สูจิโลมาสูดว่าด้วยสูจิโลมยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนเตียงชนิดมีเท้าตรึงติดกับแม่แคร่อันเป็นภพของสูจิโลมยักษ์ใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นคารยักษ์และสูจิโลมยักษ์เดินผ่านไปในที่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นคารยักษ์ ได้พูดกับสุจิโลมยักษ์ดังนี้ว่านั่นสมณะสุจิโลมยักษ์กล่าวว่านั่นไม่ใช่สมณะนั่นเป็นสมณะน้อยแต่จะเป็นสมณะหรือสมณะน้อยเราพอจะรู้ได้ลำดับนั้นสุจิโลมยักษ์เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้เข้าไปเหนียวพระวรกายของพระองค์ พระผู้มีพระภาคทรงถอยพระวรกายเป็นเล็กน้อยต่อจากนั้นสูจิโลมยักษ์ได้ทูลถามดังนี้ว่าท่านกลัวเราไหมสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราไม่กลัวท่านหรอกแต่สัมผัสของท่านหยาบกร้านสูจิโลมยักษ์ทูลถามว่าสมณะ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 ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทาจิตของเราให้พลุ่งพลานฉีกหัวใจของเราหรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดสูจิโลมยักษ์จึงทูลถามด้วยคถานี้ว่าราคะและโทศมีอะไรเป็นเหตุ ความไม่ยินดีคือไม่ยินดีในเสนาสนะที่สงัดหรือกุศลธรรมความยินดีคือความยินดีในการมาคุณห้าความขนพองสยองกล้าวคือความสะดุ้งกลัวแห่งจิตจนขนลุกความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวนี้เกิดจากอะไรความตรึกในใจเกิดจากอะไร ย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองเกล้าเกิดจากอัตภาพนี้ความตรึกในใจเกิดจากอัตภาพนี้ ย่อมผูกจิตไว้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ชะนั้นอกุศลวิตกเป็นอันมากเกิดจากความเยื่อใยคือตัณหาเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกรมทั้งหลายเหมือนย่านไสเกิดจากลำต้นไสแล้วแผ่ซ่านไปในป่าฉะนนั้นชนเหล่าใดรู้อัตภาพนั้น ว่าเกิดจากสิ่งใดชนเหล่านั้นย่อมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได้อยักท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามห่วงแห่งกิเลสนี้ซึ่งข้ามได้ยากอันตนไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีพบใหม่ต่อไปเมื่อ น, นิพัสสูตร ว่าด้วยมานิพัทธยักสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าเจดีย์ชื่อมานิมาละกะอันเป็นภพของมานิพัทยักในแคว้นมคธครั้งนั้นมานิพัทธยักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถานี้ว่าความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อ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 ยังไม่หลุดพ้นจากเวรส่วนผู้ใดมีใจยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดทั้งวันและคืนและเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสรรพสัตว์ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆสานุสูตรว่าด้วยสามเณรสานุ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 ตลอดอดีตีที่ส4ที่ส5บห้าและที่แดแห่งปักทั้งตลอดปฏิหาริยปักประพฤติรงมจันยร์อยู่ยักษ์ทั้งหลายยอมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วบัดนี้ฉันเห็นแล้วในวันนี้ยักษ์เข้าสิงสามเณรสานุครั้งนั้น ยักษ์ผู้เข้าสิงสมนเนนั้นได้กล่าวคถานี้ว่าท่านได้สดับคํคของพระอระหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการด้วยดีตลอดดิธีที่ส4ที่ส5บห้าและที่แปดแห่งปักทั้งตลอดปาฏิหาริยปักประพฤติปรมจันยูอยากทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้ว ท่านจงบอกสานุผู้ฟื้นขึ้นแล้วว่ายักสั่งคำนี้ไว้ว่าท่านอย่าได้กระทากรรมอันลามกทั้งในที่แจ้งและในที่ลับถ้าท่านจะกระทําหรือกําลังกระทํากรรมอันลามกถึงท่านจะหาะนีไปก็ไม่พ้นจากความทุกข์สามเนนสานุฟื้นขึ้นแล้วกล่าวว่าโยมแม่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 แต่คนใดละกามแล้วยังคิดจะกลับมาในกามนี้อีกลูกเอ๋ยยาและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนนั้นเพราะเขาเป็นอยู่ต่อไปอีกก็เหมือนตายแล้วพ่อคุณเรายกท่านขึ้นจากการครองเรือนที่รุ่มร้อนแล้วท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่การครองเรือนอีกพ่อคุณเรายกท่านขึ้นจากเหวแล้ว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 สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ในพระเชตวันอารามกออนาถาบินทิกะเศรษฐีเกตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะลุกขึ้นในเวลาใกล้รุง่งแล้วสวดบทแห่งธรรมะทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นนางยักษิ น, นีผู้เป็นมารดาของปียังกะระปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าปียังกระอย่าส่งเสียงไปเลย ภิกษุกำลังสวดบทแห่งธรรมะทั้งหลายอยู่อันหนึ่งเรารู้แจ้งบทแห่งธรรมะแล้วปฏิบัติข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราปียังกรักล่าวว่าเราไม่เบียดเบียนสัตว์มีชีวิตทั้งหลายไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ศึกษาทําตนให้เป็นคนมีศีลดีจึงจะพ้นจากกําเนิดปีศาจ กำเนิดปีศาจในที่นี้หมายถึงภพภูมิอันเป็นแดนกำเนิดของยักษ์คล้ายกับแดนกำเนิดของเปรตปุญญพสูตรว่าด้วยปุนญพสูสุยักษ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราชเชตวันเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้น ราผู้มีพระภาคท่งชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้ากล้าหลอบเฉลมใจให้สดชื่นรา่เริงด้วยธรรมีกถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงียโสดสดับรมอยู่ครั้งนั้น นางยักษินีผู้เป็นมารดาของปุณณะพสุปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าลูกอุตตราเจ้าจงนิ่งเถิดลูกปุณณพสุเจ้าจงนิ่งเถิ ด, จ, จ, นดจนกว่าแม่จะปังพระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสนิพพานอันเป็นเครื่องเปลื่อนตนจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง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 เมื่อโลกถูกทุกครอบงำอยู่ประกอบแล้วด้วยชราและมรณะเราต้องการฟังธรรมที่ทำให้ตรัสรู้เพื่อจะพ้นจากชราและมรณะลูกปุณณพสุเจ้าจงนิ่งเถิดปุณณพสุพูดว่าท่านแม่เราจะไม่พูดอุตรานี้ก็จัดนิ่งท่านจงใส่ใจถึงธรรมอย่างเดียว การฟังพระสัทธรรมจงเป็นความสุขท่านแม่เราไม่รู้พระสัตยธรรมจึงได้เที่ยวไปลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ทํำความสว่างให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ลุ่มหลงพระองค์เหลือแต่พระสรีระในชาติสุดท้ายมีพระจักสุแสดงธรรมอยู่ยักษินีพูดว่าน่าชื่นชมนัก บุตรผู้นอนบนอกเป็นคนฉลาดบุตรของเราย่อมรักใกล้พระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเระสริฐอุนักพสุเจ้าจงมีความสุขเถิดวันนี้เราเป็นผู้ก้าวขึ้นไปดีแล้วเราและเจ้าเห็นอริยสัจแล้วแม้อุตราก็จงฟังคำของเรา คำว่าก้าวขึ้นไปดีแล้วหมายถึงก้าวขึ้นไปในพระศาสนาดีแล้วสุทัตตสูตรว่าด้วยขหาบดีชื่อสุทัตตะสมัยหนึ่งพระผุทมีพระภาคประทับอยู่ณป่าสีตะวัน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 เดินไปทางประตูป่าช้าพวกอามนุษย์ทั้งหลายก็เปิดประตูให้ครั้นเมื่อท่านอนาถาบินทิกะขหบดีออกไปจากเมืองแสงสว่างก็หายไปความมืดปรากฏขึ้นความกลัวความหวาดเสดุงและความขนพองสยองกล้าวก็เกิดขึ้นตามมาท่านอนาถาบินทิกะขหบดีจึงใคร่จะรีบกลับจากที่นั้น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 การก้าวไปของท่านประเสริฐการถอยหลังไม่ประเสริฐเลยครั้งนั้นความมืดได้หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถาบินทิกะขหบดีความกลัวความหวาดสะดุง้งและความขนพองสยองกล้าวก็ระงับไปแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็เช่นกัน แสงสว่างหายไปความมืดปรากฏขึ้นสิวกายักกล่าวคาถาเช่นเดิมความมืดก็หายไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถบินธิกาข้าบดีความกลัวความหวาดสะดุง้งและความคนพองสยองกล้าวก็ระงับไปครั้งนั้นท่านอนาถบินธิกะข้าบดีเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงป่าสีตะวัน สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาเช้าตรู่แล้วเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถบินทิกะขาหาบดีผู้มาแต่ไกลครันแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนพุทธาธิาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสกับท่านอนาถบินทิกะขาหาบดีดังนี้ว่ามาเถิดสุทัตตะ ครังนั้นท่านอนาถบินทิกะกรหาบดีคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงทักเราโดยชื่อจึงร่าเริงดีใจหมอบลงแทบพระยุคลบาทแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพระองค์ประทับอยู่เป็นสุขหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามผู้ดับกิเลสแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อไม่ติดอยู่ในกามเป็นคนเยือกเย็นไม่มีอุปธิตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่างพึงกำจัดความกระวนกระวายในใจเข้าถึงความสงบย่อมอยู่เป็นสุขปฐมสุกาสูตรว่าด้วยสุกาภิกษุณี สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชฤๅษสมัยนั้นภิกษุณีชื่อสุ ก, กามีบริษัทหมูใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นยักษ์ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในสุ ก, กาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโนนจากตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในกรุงราชฤกษ์ได้กล่าวคถ า, าเหล่านี้ในเวลานั้นว่ามนุษย์ทั้งหลายในกรุงราชฤกษ์ไม่เข้าไปนั่งใกล้สุกกาภิกษุณีผู้แสดงอมตะบทอยู่มัวทาอะไรกันเป็นผู้ประดุดดื่มน้ำพึ่งหอมแล้วก็นอนก็แลอมตะบทนั้นใครจะคัดค้านไม่ได้เป็นของไม่ได้เจือปรุงแต่มีโอชา ผู้มีปัญญาคงได้ดื่มอมะตะธรรมเหมือนคนเดินทางได้ดื่มน้ำผนฉะนั้นทุติยสุกกาสูตรว่าด้วยสุกกาภิกษุณีสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเขตกรุงราชฤๅษ สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายโภชนาหารแก่สุ ก, กาภิกษุณีครั้งนั้นยักษ์ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในสุ ก, กาภิกษุณีได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าอุบาสกนี้มีปัญญาถวายโภชนาหารแก่สุ ก, กาภิกษุณีผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเป็นคนมีปัญญาแท้ประสบบุญมากหนอ จีราสูตรว่าด้วยจีราภิกษุณีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงราชกฤตสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายจีวรแก่จีราภิกษุณีครั้งนั้นยักษ์ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในจีราภิกษุณีจากถนนนี้ไปยังถนนโนนจากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้นในกรุงราชกฤตได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่า อุบาสกนี้มีปัญญาถวายจีวรแกจีราภิกษุณีผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้ประสบบุญมากหนออาละวกดสูตรว่าด้วยอาละวายักษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในภพของอาละวายักษ เขตเมืองอาลวีครั้งนั้นอาราวะกายักษ์เข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคได้กล่าวดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุเราก็เสด็จออกมาอาราวะกายักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามยักษ์นั้นก็กล่าวเช่นเดิมและพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นเดิมถึงสามครั้งจนมาถึงครั้งที่สี่อละวะกายักษได้กล่าวดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราจะไม่ออกไปหลัก ท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิดอาละวะกายักษ์ได้กล่าวว่าสมณะเราจะถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจะทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่านจากฉีกหัวใจของท่านหรือจับจับพี่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่เห็นใครเลยในสามโลก ที่จะพึงทำเช่นนั้นกับพระองค์ได้ตรัส บ, บอกให้ยักษ์นั้นถามตามที่ต้องการเถิดอาละวายักษ์ถามว่าอะไรเล่าเป็นรัพ์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่ามีรสล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลาย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 นำความสุขมาให้ความสัตว์แลมีรถล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราดทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดอลละวะกายักถามว่าบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าข้ามอ น, นบได้อย่างไรเล่าลวงทุกได้อย่างไรเล่า บริสุทธิ์ได้อย่างไรเราพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทลวงทุกได้ด้วยความเพียบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาละว ะ, ะยักษ์ถามว่า บุคคลได้ปัญญาอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะหาทรัพ์ได้บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตดไว้ได้บุคคลละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคล เชื่อธรรมะของพระอระหันต์เมื่อบรรลุนิพพานไม่ประมาทมีความรอบครอบฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบุคคลผู้ทาการเหมาะเจาะไม่ท้อทุระขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพ์ได้บุคคลย่อมได้เกียรติยศเพราะความสัตบุคคลเมื่อให้ ย่อมผูกมิตรไว้ได้บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมะสี่ประการนี้คือสั จ, จธรรมะคือปัญญาทิติและจาคะละโลกนี้เป็นแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นดูซิว่าในโลกนี้ มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าสั จ, จธรรมะคือปัญญาขันติและจาระเล่าอาละวากายากราบทูลว่าทำไมเล่าข้าพระองค์จึงต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากในบนัดนี้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอาลาวี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 จบบริบูรณ์